ทีนี้เราพูดนะข้ามาแล้วเราก็คุยไปเลยก็คือเดี๋ยววันเนี้ยเมื่อ ก, กี้ทําอะไรอยู่แล้วหลวงพ่อก็นึกถึงสภาพแวดล้อมอ่ะหลวงพ่อแยกเป็นอย่างนี้ก่อนนะเพื่อให้เห็นตามด้วยกันก็คือสิ่งที่อยู่นอกตัวก่อนเอาสิ่งที่อยู่นอกตัวแต่ว่าเราก็จะพูดถึงว่าสิ่งที่อยู่นอกตัวเนี่ยมันก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งนะซึ่งเป็นสิ่งที่ปรากฏนะเป็นสิ่งที่ปรากฏให้เราเห็นได้ นะเราเห็นได้เลยอาจจะเห็นทางตาทางหูทางจกมกูกทางลิ้นทางกายนะคือสัมผัสกายเนี่ยซึ่งธรรมชาตินอกตัวเนี่ยมันก็มีอยู่จริงแล้วธรรมชาตินี้มันก็สอนธรรมะเพราะตัวธรรมชาติก็คือตัวธรรมะแล้วมันก็สอนคือสอนอยังไงคือสอนให้เห็นตามที่ที่มันเป็นจริงอย่างที่มันเป็นเนาะแต่ทีนี้ด้วยด้วยด้วยปัญญาของเราเนี่ยเราไม่ไม่ค่อยเป็นผู้สังเกตธรรมชาติว่า มันเป็นยังไงบ้างพอไม่สังเกตก็ถ้าเ ก, กับว่าไม่เห็นในในความเป็นจริงของมันพอไม่เห็นก็ต ก, กับว่าเราไม่เข้าใจธรรมชาติที่อยู่นอกตัวอย่างหลวงพ่อก็ยกตัวอย่างเรื่องธรรมชาติเนี่ยที่มันแสดงความจริงนะเอาตอนเนี้อย่างเช่นน้าท่วมเนาะน้าท่วมฝนแรงแดดออกฝนตกเนี่ยเนี่ยตอนเนี้คือธรรมชาติเขาก็แสดงถึงความเปลี่ยนไปเปลี่ยนมากลับไปกลับมาแ ป, ปรปลวนนะ แต่เรื่องพวกนี้เนาะถ้ามันก็แปลกตรงที่ว่าธรรมชาตินี้มีอยู่แล้วก็เห็นอยู่แต่ว่าถ้าไม่มีคนมาชี้บอกอีกทีหนึ่งมันเหมือนกับมันมีแต่ดันไม่เห็นใช่ไหมมีแต่ดันไม่เห็นเพราะนั้นเราก็มาพูดสิ่งที่มีนี่แหละเพื่อให้เห็นให้เห็นชัดให้เกิดปัญญาให้เกิดความเข้าใจทีนี้สมมติหลวงพ่อจะยกตัวอย่างเรื่องฝนตกอย่างนี้ เราลองเทียบกันซิว่าก่อนฝนจะตกมันก็คือฝนยังไม่ตกฝนมันฝนยังไม่ตกก็รู้ได้นะบางคนบนเลยบอกโอฝนแรงมากเลยฝนมาเลยจะตกสักทีก็รู้ได้ว่าฝนยังไม่ตกแล้วพอฝนที่กำลังตกฝนกาลังตกก็รู้ได้อีกแล้วว่าอฝนกำลังตกแล้วเมื่อมันตกไปสักพักหนึ่งฝนหยุดก็รู้อีกแล้วว่าฝนหยุดแล้ว แล้วก็ลองดูทีเรื่องฝนเนี่ยมันก็วนๆอยู่อย่างเนี้ยตลอดชีวิตที่เราเห็นที่เราเกิดมาก็คือเดี๋ยวตกเดี๋ยวไม่ตกเดี๋ยวตกเดี๋ยวไม่ตกตกนานตกนิดเดียวนี่ตอนเนี้ยเรื่องฝนเขาก็แสดงให้เห็นตามความเป็นจริงว่าเขาเนี่ยนะไม่ได้ไม่เที่ยงนะมีความเกิดดับมีความแปรปรวนอยู่อย่างเนี้ยอือันนี้คือจริงๆอนะธรรมะมันก็เป็นเรื่องตรงๆเป็นเรื่องที่มีอยู่แล้วเพียงแต่เข้าใจมันว่า เออมันเป็นอย่างนั้นจริงๆอ่าเมื่อเป็นอย่างนั้นจริ ง, รงๆเนี่ยเราก็จะไปเอาอะไรกับฝนได้อะไปห้ามไปหยุดไปมเมรกักไปสั่งไปวุ่นวายไปยุ่งเนี่ยมันไม่มีผลต่อต่อเรื่องฝนตกนะเช่นเราบอกว่าเฮ้ยอย่าตกนะน้าท่วมมากแล้วมันไม่รู้เรื่องมันไม่รู้เรื่องกับเราด้วยหรอกหรือมันจะแรงนานค่ะอย่างอย่างบางปีบางช่วงเนาะฝนไม่ตกเลยเนี่ยเราก็บอกว่าฝนช่วยหน่อยให้ตก มันไม่รู้เรื่องกับที่เราไปยุ่งหรือเราไปขอกับมันเพราะฉะนั้นมันเป็นเหตุปัจจัยให้มันตกมันก็ตกอ่ามันไม่มีเหตุให้ตกมันก็ไม่ตกก็คือแค่นี้เองเพราะฉะนั้นการรู้สิ่งที่อยู่นอกตัวเนี่ยถ้ารู้อย่างไม่ทุกนะอันนี้นี่พูดถึงสิ่งที่อยู่นอกตัวก่อนถ้ารู้อย่างไม่ทุกก็คือให้รู้ตามที่มันเป็นอย่าเอาตัวเราไปไปยุ่งไปวุ่นวายกับมันนะแค่นี้เราก็ไม่มีทุกข์กับมัน แล้วมันก็จะซื่อตรงต่อความเป็นจริงของมันนี่เขาเรียกว่าไม่ทุกข์กับสิ่งที่อยู่นอกตัวทีนี้สิ่งนอกตัวมันมีเยอะแยะเนาะมันไม่ใช่มีแค่ฝนนะโอ้ยสารพัดนะเรื่องเรื่องฝนเรื่องดินฟ้าอากาศเรื่องคนรอบข้างเรื่องพืชเรื่องสัตว์เรื่องสิ่งของไอ้นี้พวกนี้สิ่งอยู่นอกตัวหมดเลยสิ่งที่อยู่นอกตัวทั้งหมดนี้มันก็อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์เดียวกันคือมันก็ไม่เที่ยงเนาะ ก็จะมีความแปลปลวนอยู่อย่างนี้ยทีนี้ถ้าเราเข้าใจธรรมชาติว่ามันเป็นเช่นนั้นแล้วไม่มีตัวเรานะไม่มีตัวเราไปยุ่งไปวุ่นวายกับมันเนี่ยมันก็ไม่ทุกข์เนี่ยเพราะฉะนั้นเรื่องไม่ทุกข์เนี่ยคือเป็นเรื่องที่ไม่มีตัวเราไปยุ่งกับมันตรงนี้เป็นต้องขีดเส้นใต้เลยคือไม่มีตัวเราไปยุ่งกับมันไม่มีตัวเราท้ายสั้นที่สุดคือไม่มีตัวเรามีแต่ธรรมชาติที่ปรากฏ อย่างนั้นอย่างนั้นนี่คือที่สุดแห่งทุกข์จำได้นะที่สุดแห่งทุกข์คือไม่มีตัวเรามีแต่ธรรมชาติที่ที่เป็นเช่น น, นั้นเช่นนั้นเอออันนี้เพื่อเพื่อให้มันกระชับในเรื่องเวลาเนาะหลวงพ่อก็จะยกคำอธิบายเรื่องธรรมชาตินอกตัวก็คงประมาณแค่นี้ส่วนการให้เห็นรายละเอียดมากกว่านี้ก็ก็คงเห็นรู้เองเห็นเองแล้วก็ให้สังเกตเองว่าธรรมชาติ มันเป็นเช่นนั้นเทียนสังเกตบ่อยๆ อ, อ่ะบางทีเราเรียกว่าเรียนธรรมะเนาะต้องเรียนจากสิ่งนอกตัวก่อนก็ได้เพราะสิ่งนอกตัวมันก็สอนธรรมะเหมือนกับสิ่งที่อยู่ที่ตัวที่กายที่ใจอืมอา้าวตกลงจบเรื่องของสิ่งที่อยู่นอกตัวเนาะว่ามันมีการปรากฏแล้วก็หมดไปปรากฏแล้วก็หมดไปอย่ามีตัวเราอย่าไปยุ่งกับมันอ่ทีนี้กลับมาที่ตัวแล้วนะกลับมาที่ตัวเรา ตัวเรามันมีสองส่วนคือส่วนร่างกายแล้วก็ส่วนจิตใจนะส่วนร่างกายกับส่วนจิตใจหลวงพ่อใช้คำว่าจิตใจเพราะว่าบางทีใช้คาว่าจิตคาว่าใจจริงๆมันก็อันเดียวกันแหละแต่ว่าเอาพอพวกไงมันหน่อยก็คือจิตใจทีนี้หลวงพ่อพูดถึงของร่างกายก่อนร่างกายที่เกิดมาแล้วนี่ก็เป็นสิ่งที่ปรากฏเพราะแต่ก่อนเกิดร่างกายนี้ก็ไม่ได้มีอ่า ก่อนเกิดร่างกายไม่ได้มีพอเมื่อเกิดมาแล้วร่างกายก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะถ้าเรามองกันอย่างแบบแบบห ย, ยาบๆเลยว่าร่างกายเปลี่ยนแปลงยังไงเอาเอาเป็นแบบช่วงสั้นๆก็ได้ในในชีวิตประจำวันร่างกายของเราเนี่ยมีอีริยาบทก็คือเดินยืนนั่งนอน4ี่อีริยาบทเนี้ยไม่มีเว้นในแต่ละวัน ไม่เดินก็นอนไม่นอนก็นั่งไม่นั่งก็ยืนคือมันจะสลับอย่างนี้ตรงนี้ก็ชี้ให้เห็นว่าร่างกายเนี่ยมันไม่คงที่มันมีการเปลี่ยนสภาพนะจากรูปนั่งเป็นรูปเดินจากรูปเดินเป็นรูปนอนเป็นรูปยืนเปลี่ยนรูปเขาเรียกว่ามันเปลี่ยนรูปซึ่งก็เห็นได้นี่ใช่ไหมมันเปลี่ยนจริงๆเป็นสิ่งที่ปรากฏแล้วก็เปลี่ยนทีนี้ไอเนี้ยมันเป็นหยาบๆอ ย, อยู่แต่ถ้าให้ละเอียดอยู่ให้ละเอียดกว่านี้มันเปลี่ยนยังไง ก็คือร่างกายเราเนาะมันมีอวัยวะนะมีอวัยวะมากมายเลยมีแขนมีขามีหัวมีมีท้องมีพุงมีลำไส้มีตับไตไส้พุงมีสเลตเสมนงะมีโอ้ยโยมเยอะแยะไปหมดเลยนะในร่างกายเราประกอบด้วยอวัยวะหรือว่าชิ้นส่วนต่างๆมากมายทีนี้ไอชิ้นส่วนเหล่านี้เขาเรียกว่าหลายๆชิ้นส่วนมารวมกันเขากันเลย เรียกชื่อว่าเป็นร่างกายทีนี้พอเป็นร่างกายเสร็จแล้วเนี่ยไอ้ร่างกายใหญ่มันก็มีการเคลื่อนไหวอย่างที่หลวงพ่อบอกแต่ส่วนกายที่มันย่อยๆเรื่องลมหายใจก็ดีเห็นไหมมีการหายใจเข้าหายใจออกหายใจละเอียดหายใจหยาบหายใจสั้นหายใจยาวลมนี้ก็จัดเป็นกายเหมือนกันแล้วก็รอยต่อระหว่างหายใจเข้ากับหายใจออกตรงที่สุดของหายใจเข้า มันก็หยุดนิดหนึ่งแล้วก็หายใจออกพอที่สุดของหายใจออกมันก็หยุดนิดนึงแล้วก็หายใจเข้ามันวนๆเ ว, ว, วียนๆอยู่อย่างเนี้ยชั่วตลอดชีวิตที่ยังไม่ตายนี่คือความเปลี่ยนแปลงของกายแล้วกายอื่นนะพวกตับไตไส้พุงใช่ไหมพวกนี้มันไม่เคยอยู่นิ่งนะมันเป็นการทำงานเค้ารกมันมีการเคลื่อนไหวมันมีการทางานตลอดเลยตรงเนี้ยไม่ได้อยู่ภายใต้การสั่งของใคร แต่มันเป็นธรรมชาติซึ่งมันต้องเป็นเช่นนี้มันจึงมีการเคลื่อนไหวเป็นกระบวนการของมันเพราะฉะนั้นกายเนี่ยมันไม่เคยหยุดนิ่งโดยแท้แล้วมันก็ไม่เคยเคลื่อนไหวโดยแท้มันจะต้องเคลื่อนหยุดเคลื่อนหยุดเคลื่อนหยุดนี่คือธรรมชาติของร่างกายทีนี้ถ้าเราไม่มาศึกษาเรื่องธรรมชาติของกายนะเราไม่เคยศึกษาเลยเราก็จึงไม่มีการเห็นความเป็นจริงของร่างกาย เมื่อไม่เห็นมันก็จะทำให้เกิดปัญญาเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมาเรียนรู้ก็คือใช้หลักสติปัฏฐานก็คือมีสติรู้กายนะมีสติรู้กายในกายรู้กายภายนอกก็ว่ากันไปเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีสติถ้าไม่มีสติมันไม่รู้กายมันจะไปรู้ธรรมชาตินอกตัวอย่างที่หลวงพ่อว่าแล้วพอรู้ธรรมชาตินอกตัวมันก็ไม่ได้เรียนรู้อีกมันก็รู้ไปอย่างนั้นและผ่าน เพราะนั้นฝึกสติให้กลับมารู้กายกายที่เคลื่อนไหวกายที่หยุดนิ่งแค่รู้เออเอาสติมารู้อาพอเราเข้าใจเรื่องกายแล้วนะก็จะพบว่ากายเนี้ยโดยภาพรวมก็คือไม่ว่าจะส่วนไหนนะส่วนส่วนใหญ่ส่วนเล็กส่วนย่อยส่วนเล็กๆมันก็มีการแปรปวนมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอด ตรงนี้แหละก็จะเห็นความจริงว่ากายเนี่ยมีความไม่เที่ยงเนาะมีความเป็นทุกข์มีความเป็นอนัตตาก็จะเข้าใจเรื่องไตรลักษณ์เพราะมันแสดงอยู่เพราะฉะนั้นทุกกายไม่ว่ากายเราหรือกายคนอื่นกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายมันก็เหมือนกันคือมีการเคลื่อนไหวมีการหยุดมีการเคลื่อนไหวการหยุดมีความแปรปรวน อ, อันนี้โอเคเข้าใจเรื่องกายเนาะเพราะฉะนั้นกายมันก็เป็นแค่สิ่งที่ปรากฏตามธรรมชาติ เป็นสิ่งที่ปรากฏตามธรรมชาติปรากฏแล้วมันก็หมดไปหมดแล้วปรากฏแล้วหมดไปหมดไปอ่ะทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องใจกันใจจิตใจก็คืออะไรล่ะจิตใจก็คือไม่ใช่กายแต่มันเป็นความรู้สึกนะเป็นความรู้สึกเป็นความคิดเป็นเป็นความรู้สึกยังไงเช่นความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์ในใจนะความรู้สึก โกรธความรู้สึกโมโหความรู้สึกรักความรู้สึกเบื่อความรู้สึกเซ็งความรู้สึกมีความสุขความรู้สึกเอ้ยเยอะแยะความรู้สึกเรานับกันไม่ทั่วบางทีไม่รู้จักชื่อด้วยนะบางทีมีคนมาถามว่าวันนี้รู้สึกยังไงก็บอกบอกไม่ถูกไม่รู้บอกไม่ถูกอ่ะแต่มันมีความรู้สึกอยู่อ่าเพราะฉะนั้นจิตใจเนี่ยมันก็มีความรู้สึกแล้วก็มีความคิดนะความคิดปรุงแต่งคิดเรื่องโน้นคิดเรื่องนี้ คิดแล้วก็เป็นทุกข์เป็นสุขได้อื่าทีนี้เราก็จะเห็นว่าในทางจิตใจเนี่ยมันก็มีความแปรปวนมันไม่เคยคงที่มันไม่เคยหยุดนิ่งนะความรู้สึกแปรปวนแล้วแปรปวนเร็วกว่าทางกายด้วยนะทางกายเนี่ยยังแปรปวนช้าแต่ทางจิตใจเนี่ยมีการแปรปวนเร็วมากเกิดแป๊บหนึ่งดับเลยเกิดแป๊บหนึ่งดับเลยคือเปลี่ยนเลยอเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปี่ยอย่างสี่ยิบ ซึ่งไม่อาจจะเอาตัวเราเนี่ยไปรู้ได้ทันแต่เราจะรู้ทันหรือเราไม่รู้ทันน่ะก็คือโดยธรรมชาติของจิตใจมันก็เปลี่ยนเร็วอยู่แล้วทีนี้ถ้าหลักการสังเกตที่จะให้รู้จิตรู้ใจก็คือก็ต้องมีสติอีกถ้าไม่มีสติมันก็เหมาเพลินมัวแต่รู้ข้างนอกหรืออาจจะมัวแต่รู้กายอย่างเดียวคือเพ่งแต่กายก็เลยไม่รู้จิตใจว่ามันมีความแปรปวนยังไงะ เพราะนั้นก็โดยภาพรวมนะอจิตใจก็คือมีความแปรปวนเกิดแล้วเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปอ่ารวมแล้วสามอย่างอนนี้ตอนนี้เชิงจะเป็นสรุปให้ให้เข้าใจตรงกันก็คือว่าสิ่งที่อยู่นอกกายสิ่งที่อยู่นอกตัวเราเนาะมันก็อยู่ภายใต้กฎของไตรักษเหมือนกันมีความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาถ้าไม่มีใครไปยุ่งกับสิ่งภายนอกก็ ไม่มีผู้ทุกข์ส่วนร่างกายมันก็มีความแปลปรวนอยู่ภายใต้กฎไตรลักษณ์เหมือนกันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเหมือนกันถ้าไม่มีใครไปยุ่งก็ไม่มีใครทุกข์นะให้กายมันก็แปลปรวนของมันอย่างนั้นส่วนจิตใจก็เหมือนกันมันก็จะมีความแปลปรวนอยู่ตลอดเวลามันก็เป็นของมันเช่นนั้นถ้าไม่มีใครไปยุ่ง อาการของจิตนะไม่มีใครไปยุ่งอาการของจิตอาการของใจที่มันมีกําลังปรากฏที่มันแปรปวนเนี่ยมันก็ไม่มีใครทุกข์เพราะธรรมชาติของจิตรวมความก็คือทั้งหมดทั้งสิ้นนี้ถ้าไม่มีเราไปยุ่งทั้งสิ่งที่ปรากฏนอกตัวทั้งสิ่งที่อยู่ปรากฏในกายทั้งสิ่งที่ปรากฏในทางจิตใจไม่มีใครไปยุ่งนั่นคือไม่มีผู้ทุกข์คือมันจบจิต ก็เรียกว่ามันจบคือมันจบแล้วเพราะว่ามันไม่มีใครทุกแต่ทีนี้แหละปัญหาของของของเรียกว่าพวกเรานี่นะทําไมจึงเป็นทุกข์เพราะว่าความปรุงแต่งบางอย่างเนี่ยที่มันเกิดขึ้นแต่ไม่เห็นไม่เห็นไม่รู้เหตุที่ไม่เห็นไม่รู้เพราะว่าขาดสติหรือว่าสติระลึกไม่ได้ว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้น แล้วไม่รู้ไม่เห็นอาการที่ไม่รู้ไม่เห็นไอสิ่งที่กำลังปรากฏเนี่ยไอยตรงเนี้ยที่เรียกว่าอาวิชชาคือความไม่รู้ไม่รู้ในสังขารที่กำลังปรากฏก็เลยเข้าไปเป็นเข้าไปเป็นอะไรเข้าไปเป็นตัวเราเป็นตัวเราเลยอพอเป็นตัวเราเสร็จแล้วมันก็มีตัวเราเกิดขึ้นแต่จริงอนะ่ะตัวเราไม่มีแต่มันเป็น มันเป็นสังขารอย่างหนึ่งที่กำลังปรุงกำลังแต่งเช่นความคิดก็ได้ความรู้สึกก็ดีมันปรากฏขึ้นแต่พอมันปรากฏขึ้นเนี่ยขาดสติปัญญาไม่รู้ไม่เห็นตามความเป็นจริงก็เลยเป็นยึดเข้าไปไปยึดถือว่าเป็นเราขึ้นมาพอยึดถือเป็นเราเรียบร้อยเสร็จแล้วเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวที่ไปยุ่งกับอื่นๆแล้วเขาเนี้ยนะไปยุ่งกับสิ่งที่เกิดขึ้นภายนอก ไปยุ่งไปจัดการทุกอย่างบอกอย่าทําอย่าเป็นอย่างนั้นอย่าเป็นอย่างนีน้ให้เป็นอย่างนั้นให้เป็นอย่างนี้อ่าแล้วก็ไอ้ตัวยุ่งนี้นะไปจัดการข้างนอกไม่พอนะยังไปจัดการกับกายอีกพอกายมีความเคลื่อนไหวมีความเจ็บมีความป่วยมีความอะไรก็แล้วแต่ไอ้ตัวยุ่งเนี้ยก็ไปจัดการอีกบอกเฮ้ยไม่อยากให้ป่วยเลยให้ป่วยหายเร็วๆหรือไม่อยากให้ปวดให้ให้ใหปวดหายเร็วๆประมาณอย่างนี้ยนี่คือไปยุ่งกับ อีกสิ่งหนึ่งแล้วพอมันไปยุ่งเนี่ยสติปัญญาก็ไม่เห็นไอ้ตัวยุ่งเนี่ยก็คือตัวเราเนี่ยพอไม่เห็นเสร็จแล้วไอ้ตัวนี้มันก็ดําเนินไปเรื่อยนะยุ่งไปหมดสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตในใจจริงๆมันก็เป็นธรรมชาติปกติแต่ไม่คือไม่รู้เท่าทันสภาวะบางอย่างที่กำลังปรากฏก็ไปยึดถือเป็นตัวเป็นตนก็เป็นเราเราก็ไปยุ่งกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นในจิตในใจ อยากให้เป็นอย่างนั้นไม่อยากให้เป็นอย่างนี้แล้วก็บนโวยวายวกเวกคือมีความไม่พอใจกับอารมณ์นั้นๆันนออ้ไอ้ตัวยุ่งตัวเนี้ยมันเป็นตัวเราถ้าคันกราบใดก็ตามขณะใดก็ตามรู้ไม่ทันไอ้ตัวยุ่งก็คือเป็นเราไปเรียบร้อยแล้วก็จะยุ่งไม่จบไม่สิ้นยุ่งทั้งวันทั้งคืนไอ้ตัวยุ่งนี้แหละก็คือตัวทุกตัวที่มันเป็นตัวเราอะแล้วก็ พอมันเดี๋ยวตรงนี้จะอธิบายยังไงพอไอ้ตัวยุ่งเนี่ยจริงๆไอ้ตัวยุ่งมันก็เป็นเป็นสิ่งที่ปรากฏเนาะแต่รู้ไม่เท่าทันว่าเป็นสิ่งที่ปรากฏก็เลยเข้าไปเป็นตัวยุ่งคือเราเป็นผู้ยุ่งเสียเองพอยุ่งไปยุ่งมามันไม่สมใจหวังตามที่ที่เราไปยุ่งเราก็เลยเป็นทุกข์เสียเองแต่ถ้ามีสติรู้เท่าทันไอ้ตัวยุ่งเนี่ยไอ้ตัวที่มันชอบไปจัดการคน เรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยรู้เท่าทันพอรู้เท่าทันปับ๊บไอตัวผู้จัดการเนี่ยไอตัวชอบยุ่งเนี่ยมันก็คือสังขารนั่นเองนะก็สังขารเหมือนกับสังขารตัวอื่นๆ่นนั่นแหละคือก็คือสิ่งที่กําลังปรากฏแล้วก็มันก็อยู่ภายใต้กฎของความไม่เที่ยงคือมีแล้วหมดไปมีแล้วหมดไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพบตัวไอ้ยุ่งหรือว่าพบตัวเราหรือเห็นตัวเราตรงเนี้ยมันก็ถ้า ก, กับว่าไปเห็นสังขารไปรู้สังขารเออพอเป็นตรงนี้เสร็จแล้วก็ ตัวเราก็ไม่มีแล้วเพราะเหตุว่าไอ้ตัวยุ่งเนี่ยไอ้ตัวยุ่งเนี่ยเดิมมันมันเป็นเราใช่ไหมเป็นความรู้สึกเป็นเราพอรู้เราเท่ากับว่ามารู้สังขารพอมารู้สังขารพ้นไปจากสังขารก็คือคือพ้นแล้วไม่มีอะไรแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะรอบรู้ในกองสังขาร น, นะรอบรู้ในสิ่งปรุงแต่งเนี่ยมันก็ต้องอาศัยสติสัมปชัญญะนี่แหละเป็นตัวดูเป็นตัวรู้เป็นตัวเห็น แต่เมื่อจเจริญสติปัฏฐานมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยสติปัฏฐานเนี่ยก็จะมีกําลังมีมีกำลังมากนะและก็สามารถเป็นเปลี่ยนเป็นปัญญาได้ปัญญาก็คือรอบรู้ในสังขารเรียกว่าปัญญาพอเป็นปัญญาเสร็จมันก็เข้าใจในเรื่องสิ่งที่กําลังปรากฏว่าสิ่งนั้นน่ะเป็นแค่สิ่งถูกรู้แต่สติปัญญาเนี่ยก็จะกลายเป็นญาณรู้เป็นญาณปัญญานะเป็นวิมุตติญาณ เป็นปัญญายานก็คือหลุดพ้นหลุดพ้นมาจากสังขารแล้วก็ได้แต่รู้แจ้งในกองสังขารแต่เมื่อมีสติปัญญาถึงท่านเป็นปัญญาญานนะหรือว่าเป็นยานายานวิมุตยานทศนะอะไรต่างๆมันก็เป็นพ้นแต่คำพวกนี้มันเป็ น, ปนคำสมมติเรียกเนาะเออแล้วแต่ชื่อจะเรียกแต่เอาเป็นให้เราเข้าใจง่ายๆกันเข้าๆก็คือว่าขณะใดก็ตามที่รู้ตัว รู้ตัวไหนก็รู้ให้ถูกตัวไอตัวยุ่งนั่นแหละเออให้รู้รู้เท่าทันไอตัวยุ่งพอรู้เท่าทันปับ๊บไอตัวยุ่งเนี่ยก็เป็นแค่สังขารปกตินั่นเองแล้วก็ไม่มีค่าไม่มีความหมายอะไรแล้วมันก็ดับไปเพราะนั้นที่ผ่านมาทั้งหมดที่หลวงพ่อได้พูดในวันก่อนๆเนี่ยทำไมหลวงพ่อจึงเน้นว่าให้รู้ตัวให้รู้ตัวเราเพราะที่ผ่านมาเนี่ยมันมักจะมีตัวเราเนี่ยไปรู้อารมณ์อื่น แล้วก็ไปยุ่งกับอารมณ์นะเช่นไปพอตัวเราเนี่ยไอ้ตัวยุ่งเนี่ยถ้าอารมณ์ที่เกิดขึ้นในกายก็ดีในจิตใจก็ดีเนาะตัวเราก็จะหลงไหลข้างไคลแล้วก็ไปชอบอารมณ์นั้นแล้วก็ได้แต่อยู่กับอารมณ์หมายความว่าไม่หลุดมาจากอารมณ์เหตุที่ไม่หลุดเพราะว่าไม่เห็นตัวเองว่าไอ้ตัวเองเนี่ยมันก็เป็นสังขารอีกตัวหนึ่งแต่ถ้ารู้ตัวเรารู้ถูกตัว มันมันก็ไม่เข้าไปเป็นสังขารผู้ยุ่งอ่ตัวนั้นมันก็หลุดพ้นไปตรงนี้หลวงพ่อจะพูดยากมากแต่ว่ า, เ, าเดี๋ยวดีๆพูดไปก็อีกทีหนึ่งทําไมหลวงพ่อจึงเน้นว่าให้รู้เรานะเพราะการรู้เราก็คือรู้รู้รู้ตัวเพราะเราเนี่ยคือไอ้ตัวยุ่งไอ้ตัวแสบที่สุดอะไปยุ่งนะชอบยุ่งเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ถ้ารู้ตัวเราไอ้ตัวเราที่เป็นตัวยุ่งเนี่ยมันก็ แค่เป็นสังขารอย่างใดอย่างหนึ่งที่กำลังปรากฏเท่านั้นเองมันไม่มีฤทธิ์เดชอะไรนะพอรู้เสร็จแล้วเนี่ยก็คือแค่รู้มันแต่มันปัญหาคือไม่รู้เราไงปัญหาคือไม่รู้เราแต่ถ้ารู้เราเมื่อไหร่รู้ถูกตัวเนี่ยมันหมดปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงหลวงพ่อจึงเล้นบอกว่าเออทาความเพียรนะอย่ามัวแต่เอาเราไปรู้เรื่องอื่นแต่ควรกลับจะมารู้เรา ถ้ารู้เราอย่างชัดแจ้งทั้งกลางก็เรียกว่าจะเดินจะนั่งจะนอนเนี่ยรู้เราเนี่ยอย่างที่เราเคยคุยอย่างที่หลวงพ่อเคยคุยกับโยมเนี่ยสอคนหลายคนเนี่ยที่เขารู้สึกเข้าใจแล้วที่บอกว่ามันเหมือนกับมีอะไรสักอย่างที่มารู้เรานั่นแสดงว่าเริ่มรู้จักแล้วแต่ถ้ายังรู้เราไม่เป็นนะมีแต่เรารู้เรารู้อย่างนี้มันก็ต้องต้องฝึกนะต้องฝึกอีกแล้วก็เนี่ยต้องคุยต้องสนทนากันให้มากเพราะว่า ขณะที่คุยสนทนานี่ก็จะมีการชี้บอกว่าอันไหนเป็นเรารู้อันไหนเป็นรู้เราถ้านะ อ, าอย่ายงยอดโยมฟังเข้าใจแล้วก็เห็นตามเนี่ยถ้ามันเก็ดขึ้นมาเนี่ยมันจะได้เขาเรียกว่าเริ่มเริ่มเห็นลางๆแล้วต่อไปมันก็จะพัฒนาได้เร็วอา่าเพราะงั้นที่ทําไมหลวงพ่อจึงอยากให้โยมมาพูดคุยกันเพราะว่าเวลายโยมพูดคุยเนี่ยโยมก็จะเล่าเรื่องใช่ไหมพอเล่าเรื่องว่าเออจากการปฏิบัติเนี่ยไปรู้ไปเห็นอะไรมา เห็นเห็นความสังหบเห็นการแยกระหว่างรูปแยกนามโอเคตอนนั้นมันก็เห็นถูกแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยต้องเห็นตัวเราผู้รู้ผู้รู้อะไรอ่ะผู้รู้ว่ามันมีการแยกรูปแยกนามผู้รู้ที่รู้ว่าในอดีตมันมีเหตุการณ์อย่างนั้นอย่างเกิดขึ้นอ่ะเพราะฉะนั้นผู้รู้เนี่ยก็คือตัวเรานั่นแหละที่เป็นผู้รู้แต่ถ้ารู้เราเท่ากับว่าพบผู้รู้แต่ผู้รู้ ที่รู้เรื่องต่างๆที่เอามาเล่าได้เนี่ยเรียกว่ารู้ปลอมคือรู้ไม่จริงที่เรียกว่ารู้ไม่จริงเพราะว่าผู้รู้เนี่ยยังอยู่ภายใต้กฎของความไม่เที่ยงคือยังต้องแก่เจ็บตายไปเหมือนกันเพราะฉะนั้นผู้รู้ที่เอามาพูดเอามาเล่าได้เนี่ยผู้รู้อันเนี้ยมันก็มีอยู่แต่ไม่ใช่รู้แท้เพราะยังเปลี่ยนแปลงได้คือมีแล้วหมดไปมีแล้วหายไปแต่รู้จริง นะรู้แท้รู้จริงเนี่ยมันไม่ปรากฏตัวแล้วก็ไม่ปรากฏว่าเขารู้อะไรเพราะเขาพูดไม่ได้ถ้าพูดได้มันก็เป็นผู้รู้ปลอมอพูดได้เมื่อไหร่มันก็เป็นผู้รู้ปลอมแต่ถ้ารู้จริงคือได้แต่รู้อธิบายอะไรก็ไม่ได้ได้แต่รู้แจ้งอยู่รู้แจ้งรู้แจ้งอ่าเอาละทีนี้หลวงพ่อก็เกินมาพอสมควรเนาะ ก็โยมมีอะไรที่จะพูดคุยแล้วก็จะเล่าอะไรจะส่งอะไรก็มาคุยกันเสร็นะเมื่อกี้ที่อาจารย์พูดเห็นภาพอย่างนี้นะครับคนทั่วไปที่ไม่ได้ปฏิบัติตั้งแต่เกิดจนโตเนี่ยมันจะมีร่องความเคยชินเก่าๆว่าทุกอย่างที่เรารู้เนี่ยมันเป็นกูหรือตัวเราหมดเลยนะทั้งความคิดความจำความรู้สึกทั้งหมดเนี่ย ที่อาจารย์พูดเนี่ยผมเห็นว่ามันมีสวิตหรือสะพานที่เราจะชักออกมาให้ใหอ้อ่เป็นอิสระจากสิ่งที่หลอกเราอยู่ตอนนี้ก็คื อ, อ, อการจเจริญสติแล้วเ็มาทำความรูอ้อ่แบบที่อาจารย์พยายามจะบอกอันนี้คือภาพที่เห็นลางๆที่ว่าอาจารย์ชี้ทางออกให้เราอะครับก็คงจะช่วยกันอ่าทความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่ หลวงพ่อพยายามจะบอกอไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีค่ะกรับนมาส ก, การท่านคือหลายวันมาเนี้ยค่ะก็ได้ฟังหลวงพ่อพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องหลายๆเรื่องนะคะแล้วก็ได้ได้ตอบปัญหาเกี่ยวกับญาติโยมนะคะเกี่ยวกับความคิดความรู้ะคะ่ะก็พยายามนึกตามแล้วก็คิดตามะคะ่ะแต่ปรากฏว่า มันทําให้รู้สึกว่าเราหนักหัวจังเลยแล้วก็เหมือนจะเข้าใจแต่ก็ตีความไม่ออกแล้วมันก็หนักๆอยู่ในสมองอะคะ่ะแล้วยิ่งวันนี้ท่านออาจารย์บอกว่าเหมือนกับตอบเหมือนกับไม่รู้จะตอบไปยังไงไม่รู้จะพูดไปยังไงก็คือตรงเนี้ยค่ะก็รู้สึกว่าไม่รู้จะพูดยังไงว่าเรากําลังคิดอะไรกําลังรู้สึกอะไรแต่รู้สึกแต่ว่ามันหนักหัวจัง มันรู้สึกความรู้ท่วมหัวหรือว่ายังไงก็ไม่ทราบค่ะท่านก็ไม่รู้จะแกะมันออกไปยังไงได้ค่ะประมาณนี้ค่ะท่านอสาธุนะที่ได้ชวนคุยกันเหตุที่ปวดหัวมันก็มีเหตุนะเนื่องจากว่าเวลาฟังไม่เข้าใจก็เรียกว่าใช้สมองคิดตามนะคิดเพื่อที่จะให้รู้คิดเพื่อจะให้ใจให้เข้าใจนะ ซึ่งเป็นธรรมดามากๆเลยไม่ว่าเราจะเรียนหนังสือทางโลกหรือว่าการแก้ปัญหาอะไรบางอย่างเวลาใช้ความคิดเพื่อให้รู้เนี่ยมันต้องปวดหัวหมดเลยถูกต้องแล้วนะแต่การตรงนี้คล้ายๆว่าต้องลงทุนสักหน่อยหนึ่งลงทุนที่จะให้มันเออมันอาจจะเขาเรียกว่ามันคิดเนี่ยลงทุนคือยอมปวดหัวบ้างเพราะอะไรเมื่อต่อไปเนี่ยเมื่อรู้แจ้งแล้วเนี่ยมันไม่ได้ใช่หัวคิดเลยมันจะรู้ออกมาจากใจเลยคือ มันจะรู้หมดเลยมันจะเห็นใครพูดอะไรก็คือสามารถเข้าใจได้โดยไม่ต้องใช้ความคิดนะอันนี้ก็คือถ้าเล่าไปก็คือประสบการณ์ของหลวงพ่อเองกันแหละหลวงพ่อเมื่อก่อนในปฏิบัติธรรมสมาธิเนี่ยมันมีความสุขอยู่แล้วมันบายสบายเนาะไม่คิดอะไรอ่าแต่พอมาฟังธรรมะขั้นขั้นหลุดพ้นเนี่ยก็เรียกว่าฟังให้เข้าใจฟังให้เข้าใจว่าเออท่านพูดอะไรแล้วเราไม่เข้าใจไงเราก็คิดปวดหัวเหมือนที่โยมบ้าเลย แต่เมื่อฟังมากๆเข้าเนี่ยต่อไปเนี่ยมันไม่ต้องใช้สมองคิดเพราะมันรู้ตรงเป้าไปเลยโดยที่ไม่ต้องคิดอ่ะเดี๋ยวตอนนี้หลวงพ่อจะเอาแบบนี้นะคลายๆกันนะอลองดูหายใจแรงๆหน่อยก็ได้นะหายใจอะไรก็ว่าไปนะคือตอนเนี้ยไม่ต้องอยากรู้ไม่ต้องอยากเห็นไม่ต้องอ่าทําความเข้าใจอะไรนะคลายมันก่อนเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยมันคิดเยอะคิดอยากให้เข้าใจตามที่หลวงพ่อพูด จริงๆไงหลวงพ่อที่พูดอธิบายโยมนะมันก็ปวดเหมือนกันนะเพราะว่าเหมือนกับว่าพูดเพื่ออะไรเพื่อให้โยมเข้าใจไงแต่ถ้าหลวงพ่ออยู่หลวงพ่อเนี่ยมันมันไม่ต้องคิดอะไรมันรู้อยู่แล้วแหละอืมอ่ะทีนี้คลายสักหน่อยหนึ่งเนาะคลายก็คือก็คือหยุดหยุดหยุดทําความเข้าใจหยุดทำความเข้าใจอะไรทั้งหมดเลยแล้วก็พอหยุดอย่างเนี้ยโยมไม่ต้องไปทํา จริ ง, รงๆเขาเรียกว่าหยุดการกระทําเนาะหยุดการค้นคว้าหยุดการอะไรเนี่ยหยุดไปสักพักหนึ่งแล้วก็รู้เองแหละ ว, ว่าเออความปวดหัวคลายแล้วความปวดหัวโล่งไปแล้วเห็นไหมตัวรู้มันมีอยู่ไงมันรู้ว่าอ๋อปวดหัวมันก็รู้แล้วก็พอพอไม่มีตัวเราอยากได้อยากมีอยากเป็นอะไรเนาะความความความไม่อยากตรงนั้นแหละเท่ากับว่ามันดับตัญหา ออพอดับตาหาเสร็จแล้วมันก็ผ่อนคลายในความกึ่งเครยียดผ่อนคลายผ่อนคลายแล้วพอผ่อนคลายเสร็จมันก็รู้เราสิว่าเราเนี่ยตอนเนี้ยไม่ปวดหัวแล้วเราผ่อนคลายแล้วอะล่ะดังนั้นที่หลวงพ่อพูดก็คือพูดถึงตัวรู้มันรู้เราทุกเรื่องเมื่อกี้ก่อนนี้ก็พูดถึงเรื่องความป่วยเนาะเวลาตัวเราป่วยมันก็รู้เราหายป่วยแล้วมันก็รู้เนี่ยมันต้องใช้หัวคิดไหมมันไม่ได้ใช้หัวคิดเนาะเออเพราะ ธรรมชาติรู้เนี่ยมันรู้ตัวเราทุกเรื่องแหละเราสุขสบายดีเ่ยมันก็รู้เรานะเราเครียดมากมันก็รู้เราหายเครียดแล้วมันก็รู้เราไอ้ตรงรู้เราแบบเนี้ยโยมตรงตรงนี้แหละไม่ต้องใช้สมองเลยอ่าเห็นไหมมันต่างกันคือตอนแรกเราใช้สมองคิดเพื่อให้เข้าใจแต่พอหยุดทําความเข้าใจไม่ต้องทําความเข้าใจอะไร ธรรมะมันก็เปิดเผยความจริงขึ้นมาว่าเออไอสิ่งที่มีอยู่เนาะในตัวเราเนี่ยความตึงมีอยู่มันก็รู้ปวดหัวชัายแย่อยู่แล้วมันก็รู้แล้วเวลาคลายมันก็รู้นั่นแหละไอรู้ตัวนี้แหละโยมที่หลวงพ่อกำลังอธิบายให้โยมเข้าใจอะคือมันได้แต่รู้ตัวเราเข้าใจค่ะแฟงว่าเรามีสติที่เราจะรู้รับรู้ได้แต่ว่า เมื่อรับรู้แล้วก็ไม่จำเป็นที่ต้องไปนั่งคิดให้ให้มันมันไม่ไม่ต้องไปต้องนั่งถอดความคิดการรู้การสิ่งที่เรารู้ไม่ต้องไปนั่งถอดมันเพราะว่าเมื่อรู้แล้วมันก็อยู่กับเนื้อกับตัวเราใช่ไหมคะแล้วมันก็จะมาเมื่อเมื่ อ, เ ม, อเมื่อเราเจอสติมันก็จะเกิดเมื่อเราเจออะไรต่างๆมันก็ ม, นมันก็จะเรียกสติเราได้มากขึ้นอะค่ะ ัอย่างนี้ถูกต้องไหมคะท่านประมาณนั้นแหละคือมันมันรู้เลยที่เพราะรู้เลยเพราะว่ามันมีสติมีสติคือรู้ตัวเราเนาะพอรู้ตัวเราเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ไม่ต้องคิดเนี่ยเพราะว่ามันตัวเราจะเป็นอย่างไรมันก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งเนาะที่มันจะเป็นเนาะแต่ความรู้อ่ะมันมันมันเป็นอีกสิ่งหนึ่งซึ่งมันไม่ใช่ตัวเราแล้วมันก็เห็นตามความเป็นจริงที่ตัวเรามีเออตัวเรามีอะไรล่ะมีสุขมีทุกข์มันก็รู้เราเนาะ ตัวเราเดินยืนนั่งนอนมังูุรู้เราตัวเราฟังธรรมะเข้าใจมันก็รู้ว่าเข้าใจตัวเราฟังธรรมะไม่เข้าใจมันก็รู้ว่าเราไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นการรู้แบบสติสัมปชัญญะเนี่ยมันไม่ใช่ความคิดเลยไม่ใช่ความคิดมันเป็นความรู้ที่ที่ไม่ปรุงแต่งทีนี้ถ้าเราเข้าใจตรงเนี้มันจะง่ายในการปฏิบัติก็คือว่าเคยจะพูดอะไรก็พูดไปแล้วลเราก็ฟังเฉยเฉยเราอย่าพยายามอย่าเขี้ยวเข็นคิดมากจนกระทั่งว่า ปวดหัวเพราะความคิดเนี่ยมันไม่ใช่รู้เนาะรู้เนี่ยมันไม่ได้คิดเออเพราะนั้นยิ่งคิดมากมันก็แน่นอนนะทั้งทั้งปวดหัวแล้วก็ทั้งทั้งหลงด้วยเพราะว่าคิดเนี่ยมันไม่ใช่รู้แต่รู้เนี่ยมันได้รู้ว่าเออไอ้สังขารที่กำลังปรากฏคือความคิดกําลังมีอยู่มันก็รู้เนี่ยลองปรับปรับปรับทัศนะปรับความอะไรบางอย่างแล้วก็เดี๋ยวจะเข้าใจนะ ไอาการที่คิดเพื่อให้เข้าใจเนี่ยมันก็เป็นเบื้องแรกซึ่งทุกคนต้องคิดก่อนแล้วก็ปวดหัวหลวงพ่อปวดหัวจริงๆบางคนนะบางคนเนี่ยแตกเลยนะฟังไม่เข้าใจเนี่เมนหัวมากเลยฟังไม่เข้าใจหัวแตก อ, อ, อันนี้มันก็ได้สอนทำเหมันก็ไอความหวแตกนี่แหละมันก็สอนธรรมะให้เราอีกแั้วแหละว่าเหตุที่อัวแตกก็เพราะอะไรแล้วพอต่อไปเขาเข้าใจมีปัญญามากเขาก็ฟังแบบโอ้ตื่นเ บ, บิกบาน ฟังเนี่ยฟังแล้วก็พอฟังเสร็จเนอะเอ๊ะระหว่างฟังเนี่ยมันรับรู้เนี่ยรับรู้ทั้งเสียงรับรู้ทั้งการเห็นรับรู้ทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นในกายในใจรับรู้มันมีแต่รับรู้รับรู้แล้วก็รู้ผ่านรู้ผ่านคือไม่ต้องคิดอะ้รปวดหัวเลยมีแต่รู้ผ่านรู้ผ่านรู้ผ่านถ้าใครเข้าถึงตรงนี้ได้เนี่ยมันจะเรียกว่า ง, ง่ายในการปฏิบัติเลยเพราะไม่ได้ทําอะไร มีแตร่างกายจิตใจมันก็ปรุงแต่งคือมันทําของมันกี้เห็นท่านท่านให้ให้ถ่ายสูตรหายใจลึกๆอหายใจออกยาวๆอะไรประมาณเนี้ยค่ะโยมก็เลยรู้สึกว่าหลายครั้งที่โยมรู้สึกว่าเออได้ฟังธรรมะได้ได้ได้เรียนรู้อ่ะค่ะมันก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ไม่เคยนั่งฝึกสมาธิหรืออะไรเลยอะค่ะแต่เมื่อกี้เมื่อท่านบอกแล้วก็รู้สึกได้ว่าเออถ้าเราได้ นั่งสมาธิอะไรเงี้ยการปวดหัวของเราก็อาจจะคลายลงอันนี้ช่วยได้ด้วยหรือไม่คะท่ถ้าท่านั่งสมาธิถูกต้องนะคลายแน่นอนเพราะว่าการทําสมาธิเนี่ยคือการพักผ่อนทางจิตก็เรียกว่าหยุดทําสมาธิใช่ไหมจิตมันวุ่นวายเนาะมันคิดคๆๆคิดคิดคิ ด, ค ด, คดทําสมาธิก็คืออยู่กับเนื้อกับตัวก็คือรู้ตัวแบบรู้ลมก็ได้รู้ลมแล้วก็แค่รู้เฉยคือเหมือนกับว่าการรู้ถ้ารู้ถูกต้องเนี่ย มันก็คือไม่ต้องไปจัดการลมคือลมหายใจอย่างไงก็รู้อย่างนั้นนะรู้เบาๆแล้วก็พอไปสักพักหนึ่งมันก็จะคลายความเครียดลงอ่ามันจะคลายคลายคล า, คลาตรงนี้เขาเรียกว่าจิตมันได้พักผ่อนอ่าพอจิตพักผ่อนปั๊บจิตมันก็มีความส ง, งบแล้วก็มีความมีความสุขเออมีความชีวิตชีวาก็น่าอยู่คือเพราะว่ามันเป็นความสุขเนาะนั่นเองการทําสมาธิก็คือการพักผ่อนทางจิตอ่าแล้วก็จะรู้ว่าอ๋อเมื่อจิตได้พักผ่อนแล้วมันก็ เป็นอย่างนี้อก็ก็มีอีกแลงเงื่อนไขก็คือว่าอย่าเอาแต่พักผ่อนจนเกินเหตุเหมือนกับอุปมา ว, ว่าคนทำมาหากินนะเนาะถ้าเอาแต่นอนอย่างเดียวคือพักผ่อนะมันก็ลําบากเหมือนกันเพราะฉะนั้นพักผ่อนแค่ให้จิตเนี่ยมีกําลังพอที่จะมาะศึกษาเรียนรู้อะไรอีกทีนี้พอศึกษาเรียนรู้อะไรอีกถ้าสมมติว่ามันมันเครียดอีกแล้วเพราะต้องใช้หัวคิดเยอะหรืออะไรนะเพราะว่ายังยังไม่รู้ช่องทางนี ก็กลับมาพักผ่อนคือนั่งทำสมาธินั่งสมาธิเดินสมาธิอะไรก็ได้ที่ที่ได้พักผ่อนทางจิตอะ่ะเออมันก็ถือว่าเป็นสมาธิหมดแหละแล้วก็เอามาใช้ตรงนั้นสลับสลับกับการที่อา่าเรียนรู้เพื่อให้เกิดปัญญาแต่จริงมันก็ไปด้วยกันนั่นแหละระหว่างทําสมาธินะถ้าถ้ามีช่องทางแล้วระหว่างทำสมาธิปั๊บเนี่ยก็เดี๋ยวเห็นจิตคิดเดี๋ยวก็เห็นความรู้สึกมันก็เห็นแบบไม่ต้องคิดแค่นี้เข้าใจค่ะท่าน แต่ก็นึกแรกว่าตัวเองอะคะ่ะบางครั้งถ้าคิดมากๆหรืออะไรเงี้ยจะใช้วิธีการกั้ลมหายใจให้ทุกอย่างมาสงบแล้วก็นิ่งแล้วก็สิ่งที่อยู่บนคิดอยู่บนสัวสมองนะคะก็จะพยายามกระจายออกกระจายออกไม่ให้ให้เกิดช่องว่างลมหายใจแล้วก็อยู่นิ่งๆประมาณนี้คะ่ะไม่คิดอะไรแล้วมันก็จะรู้สึกดีขึ้นแต่อันนั้นนจะทําเมื่อรู้สึกว่า ฟุ้งซ่านแล้วก็คิดมากจนแบบหาทางออกไม่เจอจริงๆอะค่ะแต่ถ้าเป็นตอนช่วงเนี้ยค่ะที่รู้สึกว่าหนักสมองปวดหัวมันก็ยังไม่ได้ไปถึงตรงนั้นนะคะแต่ที่ท่านพูดก็นั่งนิ่งๆหยุดหยุดอยู่กับตัวเองปล่อยวางไม่ต้องคิดอะไรมากๆก็ได้อะไรเงี้ยคะสักพักปล่อยให้สมองว่างมันก็คงจะได้เคลียสิ่งเครียดๆที่อยู่ในสมองให้อยู่กับปัจจุบันแล้วก็เรียนรู้ไป ค่อยๆเป็นค่อยๆไปก็ได้ค่ะประมาณนะะั้นค่ะค่อยๆนะค่อยๆเรียนรู้ไปเนาะเพราะว่าธรรมชาติการเรียนธรรมะนี่แหละค่อยๆเรียนรู้แล้วก็เดี๋ยวมันจะจับจับทางได้จับจุดได้แล้วมันก็จะไปในทางที่ที่ถูกต้องมากขึ้น